ประเทศลังกาเมื่อสูนย์ปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งบ้านแกนอยู่ใกล้ๆกับทะเลทุกวันนะก็จะเอาอาหารไปเลี้ยงปลาปลาเนี่ก็อยู่ใน ท, ทะเลสาบทะเลสาบที่ก็ติดกับทะเลก็เลี้ยงปลายนี้ทุกวันนะด้วยขนมปังนะต่อมาก็จระเข้ตัวหนึ่งนะมันว่ายเข้ามาใกล้ฝั่งจะเห็นแกก็เลยโยนขนมปังให้จระเข้จระเข้มันก็ชอบนะเพราะว่า ทุกวันเนี่ยมันก็จะมามาทุกเช้าเลยชาาวันนี้แกก็เลี้ยงไม่เลือกนะจะเป็นปลาหรือเจระเข้ขนมปังก็ให้จนกระทั่งเจระเข้ในแกเป็นขาประจำเลยคนก็ทักท้วงไงนะว่าให้เจระเข้ทําไมนะมันกัดอันตรายนะแกแกก็ไม่สนใจนะเพราะว่ามันมามันมาหาเนี่ยทำอย่างอยู่นานนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่26ธันวานะ2547นะ จำได้ไหมวันนั้นเนี่ยสำคัญอย่างไรพ่สบกทันวาสี่เจ็ดเกิดสึนามิสึนามินี่มันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่เมืองไทยนะกระจายไปถึงพมา่าแล้วก็ลังกาอินเดียตอนที่สึนามิมาถึงลังกาเนี่ยนะชายคนนี้คนนี้ก็กำลัง อ, อยู่ที่ริมทะเลสาบนะก็ทำกิจวัตรเหมือนเดิมคือให้อาหารทั้งปลาทั้งจระเข้ พรากว่าคลื่นโซนนี้มันซัดเข้ามาพอมันซัดเข้ามาเสร็จนะคลื่นมันก็ออกไปตีออกออกออ ก, ออกสู่ทะเลนะมันซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็มันก็ลากอะไรต่ออะไรเนี่ยลงทะเลไปเลยชายคนนี้ก็ถูกน้ําถูกคลื่นเนี้ยซัดออกไปนะออกจากชายฝั่งแรงมากเขาก็พยายามที่จะหยิบถวยพวกไม้พวกอะไรที่ใกล้มือเพราะว่า อกำลังจะสํำรับสํำรักน้านะเห็นเก้าอี้ก็ช่วยเก้าอี้เอาไว้เพราะว่าเก้าอี้ก็โดนน้าซัดจนแตกกระจายมีท่อนไม้ก็จับท่อนไม้ไวะนะท่อนไม้ก็หลุดมื อ, ข อ, อเขาบังเอิญเข้าไปเจอท่อนหนึ่งนะนมันเห็นท่อนไม้อยู่ขนาดใหญ่เหมาะมือเลยเขาเลยจับเอาไว้จับแน่นเลยนะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ถูกซัดออกไปนอกฝั่ง ครัสักพักก็สังเกตไอ้ทำไมไอ้ไม้เนี่ยหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยมันถูกซัดออกไปห่างจากฝั่งเรื่อยๆแต่ท่อนไม้ท่อนนี้เนี่ยมันกลับเคลื่อนเข้าหาฝั่งนะไม้ท่อนนี้มันพาเขาหาจนกระทั่งใกล้ถึงฝั่งเนี่ยเขาก็อ่าคือว่าปลอดภัยแล้วก็เลยว่าเข้าหาฝั่งแล้วก็กลับมองกลับไปที่ท่อนไม้ท่อนนี้ทําไมมันมีหางนะมันคือจระเข้ตัวเดียวกับที่เขาเนี่ยให้อาหารมัน มันเป็นจระเข้ตัวเดียวกับที่เขาให้อาหารมันทุกเช้าทุกเช้าเขาไม่เชื่อสายตายนะไอ้จระเข้นี่มันมาช่วยชีวิตเขาชียวหรือนะเพราะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นจริงนะมันเป็นจระเข้ตัวเดียวกับที่เขาให้อาหารมันมันคงสำนึกในบุญคุณของเขาอะนะแล้วพอเห็นเขาตกอยู่ในอันตรายมันก็มาช่วยทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะว่าจระเข้เนี่ยมันมันช่วยชีวิตคนนะ และเป็นคนเดียวกับที่ให้อาหารมันอันนี้ก็แสดงให้เหนเลนะ่ว่าสัตว์นี่มันก็มีนะความรู้สึกสำนึกบุญคุณนะจะเรียกว่ามันมีความกระตันอยู่รู้คุณก็ได้มันไม่สันเลื้อคลานนะนตระกูลเดียวกับตัวเงินตัวทองอะนะแต่ว่ามันมีความสำนึกในบุญคุณตอนที่ชายคนนั้นเนี่ยให้อาหารจระเท้นะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรเลย แต่ว่าสิ่งนี้ก็ททำเนี่ยมันมีผลนะความดีที่ได้ทำนี่ไม่สูญเปล่าอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะเรื่องความอเอื้อเฟื้อของสัตว์เนี่ยนะบางทีมันก็น่าทึ่งนะมีชาวเกาหลีคนหนึ่งเนี่ยแกเล่าว่าแกทำงานอยู่ที่เรือเดินสมุทรนะเรือเดินสมุทรนะแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยคลื่นลมมันแรงมากนะ เขายืนเขาทํางานอยู่นะตรงข้างบนเนี่ยตรงดาดฟ้าเนี่ยเพราะว่าเรือเป็นโครงเคร่งนะจนกระทั่งเขาเนี่ยถูกอตกลงไปในทะเลตกลไปในทะเลเนี่ยเขาก็พยายามเรียกร้องคนนะในเรือนะให้ล้วนเนี่ยเขาอยู่ในทะเลนะแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเขาแล้วเรือก็ห่างไปห่างไปไกลเรื่อยๆคณนึกดูนะคนที่ตกอยู่ในทะเลเนี่ยในมหาสมุทรเนี่ยนะแต่ทาอย่างไร มองไม่เห็นสั่งเลยขาที่พยายามที่พยุงตัวไว้นะก็บังเอิญไปเจอคล้ายๆเป็นเป็นทุ่นใหญ่ๆอยู่ทุ่นหนึ่งนะก็เลยว่ายไปที่ทุ่นนั้นแล้วก็กอดอยู่บนทุ่นนั้นเขาช่วยหน่อยนะเพราะว่าถ้าว่ายน้ำตลอดเวลานี้มันเหนื่อยก็ไปพักเอาแรงอยู่บนทุ่นนั้นพอหายเหนื่อยแล้วบอกว่าสังเกตดูไอ้ทุ่นนี้ยมันแปลกๆนะบอกว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นหลังเตา่า หลังเต่าตัวใหญ่มากเลยและเต่าเนี่ยนะมันมันลอยคออยู่บนทะเลอยู่เหนืออยู่ตรงถิวน้าซักพักก็ต้องลงไปนะลงไปในในน้ํานะชาวนี้ก็กลัวทีเดียวนะว่าถ้าถ้าเต่านี่มันดำน้ำเนี่ยนะเขาตายแน่เลยเขาก็บอกเต่า ว, ว่าอย่าดำนะอย่าดำนะขอใลอยคออยู่บนทะเลเนี่ยนะเพราะว่าดูเหมือนมันมันก็มันเชื่อนะมันก็ลอยคออยู่บนทะเลนะนะั่นแหะอยู่นานทีเดียว ตรงน้นเขาเห็นมีเรือเดินส ม, มุทรอีกลำหนึ่งแล่นผ่านมาเขาก็เลยตะโกนเรียกนะคนเห็นนะคนบนเรือนั้นเห็นเขาก็เลยนะเอาเรือมาเทียบ ก, กับเต่านะแล้วก็รับเขาขึ้นบกแล้วเขาขึ้นเรือแล้วก็เอาเต่าขึ้นมาด้วยแต่เขาก็บอกขอร้องนะว่าอย่าฆ่าเต่าตัวนี้นะเพราะว่ากับเต่าตัวนี้ช่วยชีวิตเขาแล้วนะคนในเรือก็เลยอ ก็เลยชื่นชมยินดีกับเต่าตัวนี้แล้วก็เขียนข้อความบนหลังเต่าว่าเต่าตัวนี้ช่วยมนุษย์เอาไว้นะอย่าทําร้ายแล้วก็ปล่อยต่าลงทะเลไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะน่าสัจจันทร์มากนะเต่าเนี่ยนะมันก็คงเหมือนกับรูปภาษานะทั้งที่มันคงไม่เคยเจอมนุษย์นะแต่มันคงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะกําลังพึ่งพามันอยู่นะ แล้วก็อยากจะให้มันลอยคอยอยู่บนทะเลไปเรื่อยๆอยู่บนผิวน้ําอันนี้ก็เป็นเรื่องความอัศจรรย์นะทีะ่ที่เราสามารถจะพบเห็นเรื่องแบบนี้นเราได้ยินมาอยู่เรื่อยๆนะถ้าเราสนใจสักหน่อยก็จะพบว่าสัตว์นี่มันมีเหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่เมตตาที่พร้อมจะช่วยเหลือคนในกรณีเรื่องเต่าเนี่ยนะคนไม่ได้ทำอะไรช่วยเขาเลยนะแต่ว่าเขาก็มีเมตตา อันนี้ผี่กับจระเข้นะจระเข้นี่อันนี้คนเนี่ยช่วยให้อาหารมันเป็นประจําที่จริงอาหารก็ไม่ได้มีอะไรมากนะปกติมันก็กินปลาใช่ไหมจระเข้แต่ว่าขนมปังที่เขาให้มันก็ชอบเหมือนกันนะก็เลยมากินทุกวันให้เราตระหนักว่าความดีที่เราทําโดยเพราะควา ม, มเมื่อเฟือเผ่อแผ่เนี่ยมันไม่สูญเปล่านะบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้เวลาเวลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นวันอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้นะ มีเรื่องเล่าว่ามีหมอใหญ่คนนึงเนี่ยนะในอเมริกาเป็นหมอผ่าตัดศัลยกรรมมีชื่อวันนึงก็ได้เคสคนไข้คนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งเป็นผู้หญิงอายุประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็มะเร็งที่เธอเป็นเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ลุกลามแล้วก็เกิดขึ้นในจุดที่รักษาได้ยากมากหมอคนอื่นเนี่ยส่ายหัวไม่ไมรับนะไม่รับก็ไม่รับเคสนี้แต่หมอคนนี้เนี่ยนะพอแกดูชื่อคนไข้ดูรายละเอียดแล้วแกก็สนใจ นะแล้วก็ติดแล้วก็เช็คข้อมูลอยู่สักพักใหญ่แกก็รับนะว่ารับรับจะรักษากรณีนี้คนไข้คนค น, นี้เพื่อนหมอก็แปลกใจนะว่ารับได้ยังไงมันไม่ไหวแล้วไม่ไมีลอดหรอกแต่แกก็ยังยืนยันนะว่าต้องช่วยแล้แกทาทุกวิธีทางเลยนะพยายามติดต่ออาศัยเส้นสายเนี่ยที่มีเนี่ยติดต่อหมอที่เก่งๆด้านต่างๆเนี่ยนะมาช่วย มาช่วยแกนะใช้เงินใช้ทองมากทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หมอหลายคนนี้ไม่ไม่ทําแต่ว่าแกก็ทุ่มสุดตัวเลยงานแกก็เยอะนะเป็นหมอใหญ่เวลาก็น้อยแต่ว่าแกก็ทําเต็มที่เลยทั้งขอแรงคนนั้นคนนี้มาช่วยทั้งลงมือเองด้วยก็ทําอยู่นานนะก็เป็นหลายเดือนทีเดียวเพราะว่าในสุดเนี่ยสําเร็จนะลุกมาเร่งเนี่ยของผู้หญิงคนเนี้ยนะมันยุดมันหยุดมันหลุดเไม่ลุกลาม ก็แปลว่าสามารถจะอยู่ได้อีกหลายปีเมื่อพิมพ์คนนี่กลับไปที่ลงกลับไปที่บ้านเนี่ยนะก็รอบินนะสองสามวันต่อมาบินโรงพยาบาลก็ามาตอนที่เปิดซองนี่เขาก็ตกคงเสียวเลยนะเพราะว่าเงินคงจะหลายแสนดอลลาร์นะเพราะก็ว่ามันมีแต่ข้อความสั้นๆว่าค่ารักษาพยาบาลได้จ่ายแล้วเมื่อ25ปีที่แล้วด้วยนมแล้วก็คุกกี้สองชิ้นพําพ์คนนี้งงเลยนะ เรื่องเรื่องเป็นยังไงเรื่องเรื่องคือว่าหมอคนนี้เนี่ยนะเมื่อประมาณ25ปีก่อนเนี่ยแกเป็นนักเรียนแพทย์ยากจนต้องทําหน้าที่ต้องหาชีพพิเศษคือเป็นเซลลแมนขายของก็เดินเข้าประตูตามบ้านต่างๆก็ไปเข้าประตูบ้านผู้หญิงคนนี้แหละนะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ซื้อนะแต่ผู้หญิงคนนี้สังเกตว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยท่าทางอิดโรยนะก็เลยถามว่ากินข้าวมาหรือ ย, ยังเขาบอกยังไม่ได้กินมันเลยนั้นเข้ามาสินะแล้วแกก็หา ห า, าให้นมนะหนึ่งแก้วแล้วก็คุกกี้สองชิ้นนะทัานศึกษาแพทยคนนี้ประทับใจมากนะประทับใจมากและผ่านไปยี่สิห้าปีเนี่ยก็ไม่ลืมตอนที่แกได้กลายเป็นหมอใหญ่นะยี่สิห้าปีผ่านไปแกกลายเป็นหมอใหญ่พอแกเจอเคสนี้แกเห็นชื่อแกก็เอะใจก็เลยสอบถามรายละเอียดก็พบว่าใช่เลยนะเป็นคนเดียวกับที่เคยมีเมตตาช่วยเหลือแก ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักเขาแค่นมหนึ่งแก้วแล้วก็คุกกี้สองชิ้นแต่ว่ามันประทับใจเขามากและทําให้เขาเนี่ยนะยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อช่วยผู้หญิงคนนี้อันนี้ก็ชี้เห็นนะว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูเล็กน้อยมากนะแต่ว่ามันไม่สูนญเปล่านะดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าประมาทนะในความดีแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อทําแล้วก็สามารถจะส่งผลได้อย่าไปคิดว่าทำแล้วไม่ส่งผลนะมันส่งผลแต่ว่าอาจจะใช้เวลา อาจจะ1ปีอาจาอาจะ5ปี10ปีก็ได้ใครจะรู้อาไรเตรียมรับผ่อ